พัทธจักรสัพพมูลกไนสองยสิบสิสูจกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจตุตถฌานสุญญตาวิโมกอา น, นิมิตาวิโมกอปปนิหิตาวิโมกสุญญาตสมาธิอา น, นิมิตสมาธิอปปนิหิตสมาธิสุญญตสมาบัติ laughter, อา น, นิมิตสมาบัติอปปนิหิตสมาบัติ วิชาสสติปทานสี่สมัปทานสีอิทธิบาทสอินรียห้าพระ5้าโพชฌงเจ็ดระยมคามีองค์8โสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าสละโทสะแล้วข้าพเจ้าสละ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 วงเล็บสครั้นกล่าวแล้วกรูว่ากล่าวเท็จแล้ววงเล็บสอำพรางความเห็นวงเล็บห้าอำพรางความเห็นชอบวงเล็บหอำพรางความพอใจวงเล็บเจอำพรางความประสงค์ต้องอาบัติปาราชิกสัพพมูลกนัยจบสุทิกวารกถา